ที่ฝั่งทนนะแถวบางกอกใหญ่ทุกเช้าเนี่ยจะมีคนรอใส่บาทหลวงปู่ท่านหนึ่งนะท่านอายุเกือบเก้าสิบละมาบินธบา ท, ทุกเช้าเลยคนวนัยปบเก้านี่ส่วนใหญ่เขาก็เก็บตัวที่บา้านหรือเก็บตัวที่วันแลวแต่ว่าหลวงปู่ทองนะท่านก็มี อ, อุตสาหะนะทั้งที่สังขารก็ เสื่มไปมากนะตามวัยแต่ก็มาบินธบาติทุกเช้าโดยที่ไม่มีลูกศิษย์วัด ต, ตามเลยนะแล้วก็ไม่มีพระรูปอื่นเดินตามด้วยอยาตามานี่อายุห่างจาท่านมากนะแต่ว่าเวลาบินธบาตก็ยังมีพระหนุ่มนะเดินตามคอยช่วยถือของคอยช่วยรับพวก อาหารผลไม้แต่รล้งทองท่านออกบินทบาทรูปเดียวเลยไม่มีศิษย์ปัะไม่มีพระหนุ่มเดินตามช่วยบินทบาทด้วยเพราะท่านก็ทำอย่างนี้มานานแล้วนะตั้งแต่บวชใหม่ๆนะคือตั้งแต่ยังหนุ่มอะ่ะเกือบเจ็ดสิบพรรษาแล้วนะท่านก็ยังบินทบาทอยู่เป็นประจำทุกวัน ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นที่น่าเลื่อมสายศรัทธามากนะเพราะพระหลายรูปเนี่ยโดยเพราะในเมืองถ้าว่ามีชันแล้วนี่ก็ไม่ค่อยสนใจบินธบาาเท่าไหร่เพราะว่าบางรูปหลายรูปเนี่ยก็มีโยมมาถวายถึงที่วัดหรือไม่ฉชนั้นก็ถ้าชันรวมนะก็รอฉันจากรอชันอาหารที่ พระรูปอื่ น, นบินธบาตมาได้แต่หลวงปู่ทองนี่ถือเป็นกิจวัตรเลยนะและยิ่งกว่านั้นนะที่ทําได้ยากกว่าบินธบาตนะก็คือทุกวันนี้เนี่ยท่านก็ยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะเรียนบาลีและบาลีที่ทนเรียนเนี่ยนะทีประโยค9การเรียนภาษาบาลีหรือที่เราพระเบสทำนี่ขั้นสูงสุดก็คือ ประโยค9้าท่านได้ประโยค8แล้วแต่ท่านก็ยังไม่ทิ้งการเรียนนะทั้งที่วัยนี้เนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าท่านนี่หลายคนก็เลิกหรือทิ้งเรื่องการเรียนปฏิธรรมไปแล้วแต่ท่านก็ยังเรียนอยู่นะเรียกว่าแม้จะได้ประโยค8แปล้วโดยเพราะช่วงนี้เรียกว่าท่า น, นาตั้งใจเรียนเนี่ยเป็นประจำเลย ทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้สอบให้ได้ประโยชนก้าและท่านเนี่ยสอบมาแล้วนะสิบ้าครั้งได้แล้วนะก็คือสอบมาแล้วสิบห้ปีเนี่ยยังไม่ได้นะไม่ได้ท่านก็ไม่ท้อท่านก็ไม่หยุดก็ยังเรียนต่อเรียนต่อเพื่อจะได้มีความรู้พอที่จะสอบได้แล้วก็การเรียนท่านก็หนักนะ ท่านเราว่าเนี่ยไปเรียนที่วัดโมลีโลกเนี่ยลืมบอกไปนะท่านอยู่วัดราชสิทธารามนะอยู่ฝั่งทนบางกอกใหญ่ท่านไปเรียนบาลีประโยคเก้าเนี่ยที่วัดโมลีโล ก, กยารามนะท่านบอกเลี้ยงแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะกว่าถึงวันนี้ก็ห้าทุ่มบางทีก็ต้องอาศัยนอนที่วัดโมลีโลกไปเลยหนุ่มๆก่อนนี้เนี่ยหรือว่ายังอายุ3า40ี่เนี่ยเรียนแบบนี้ก็ อาจจะทําได้แค่ไม่กี่เดือนก็เลิกแล้วแต่นี่ท่านทํามาหลายปีแล้วท่านอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากกับการได้ประโยคเก้านะแต่ว่าท่านให้ความสําคัญกับการเรียนมากกว่ารวมทั้งเป็นแบบอย่างให้คนเห็นนะว่าคนเรานี้ไม่แก่เกินเรียนนะไม่แก่เกินเรียนแม้จะเกือบเก้าสิบแล้วก็ยัง ไม่แก่เกินกว่าการที่จะเรียนและที่ท่านสอบปีแล้วปีเล่าเนี่ยนะเก่งที่บอกท่านอาจจะไม่ได้คิดว่าการได้ประโยชนกา้านี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตแต่ว่าก็เป็นแบบอย่างให้คนเห็นว่าคนเราไม่ควรท้อถอยนะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนเมื่อสอบไม่ได้ก็ก็สอบใหม่แต่ก่อนจะสอบก็ต้องไปเรียนนะให้ได้ความรู้ที่นั่นพอนี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะสำหรับ พระเราในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งญาติโยมด้วยนะว่าประการแรกคือคนเรานี่ไม่แก่เกินเรียนแล้วสองทั้งคนเรามีคนมีความเพียรพยายามนะเมื่อมีเป้าที่ต้องการบรรลุแล้วก็แม้จะทําไม่ได้ก็ไม่ท้อก็ทําเรื่อยไปหาได้ยากนะคนที่พระที่สอบแล้วสอบเล่าเนี่ยนะถึง15ครั้งเนี่ย ได้อพะประโยค9แล้วก็มีบางท่านนะเคยสอบมาแล้วนี่20กว่าครั้งก็มีนะกว่าจะได้ประโยค9ย์เาหลวงปู่นี่ท่านก็ตามใจที่ยังมีกำลังชาก็ไม่หยุดไม่หยุดเรียนแล้วก็ไม่ไม่หยุดความเพียร น, นะที่จะสอบนี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะสำหรับทั้งพระทั้งเนนแล้วก็คนทั่วไปนะ ว่าคนเราเนี่ยไม่ควรจะท้อถอยเรื่องการอสอนให้คนเราเห็นว่าเนี่ยคนเราไม่แก่เกินเรียนนี่มันมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะน่าทึ่งมากนะที่ประเทศเข็นยาเนาะคุณยายุก้าวสิบแล้วเป็นหมอตำยามาเกือบเจ็ดสิบปีแล้ววันนึงก็เกิดสนใจที่จะเรียนหนังสือขึ้นมาแล้วก็เริ่มเรียนปอนหนึ่งนะ คุณยานี่ชื่อโกโก้นะอายุการสิบปีเนี่ยเรียนปหนึ่งะกับเรียกว่ายิ้งกันเหลยหนึ่งนะเด็กๆที่มาเรียนด้วยนี่ก็เรียกว่าเป็นเด็กที่คุณย่าเนี่ยหรือคุณยายนี่ทำคลอดมาทั้งนั้นเด็กอายุ9ก้ขวบสิบขวบมาเรียนนะเป็นเพื่อนชั้นเรียนกับคุณย่านะคุณยายบอกแกอยากจะ อ่านออกเขียนได้เพื่อได้อ่านพระคัมภีร์นะไบเบิลแกเป็นคริสต์นะและที่สำคัญอย่างนึงก็คือแกอยากจะเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เ, เนี่ยนะสนใจเรียนหนังสือเพราะคุณยายนี่เห็นนะเด็กๆ เ, เนี่ยตัวเล็กๆ เ, เนี่ยนะหลายคนเนี่ยไม่ยอมเข้าโรงเรียนบางทีก็อายุปล่อยตัวให้อายุเป็น วัยรุ่นแล้วแต่งงานพอมีครอบครัวก็ยิ่งเลยไม่สนใจการเรีย น, ใ, นใจเลยไปถามนะั้นทำไมเธอไม่เรียนหนังสือหลายคนก็จะบอกว่าหนูแก่แล้วหนูอายุมากแล้วหรือผมอายุมากแล้วไอคนที่พูดนี่ก็บางทีก็แค่เป็นวัยรุ่นเท่านั้นแหละหรือบางคนก็แต่งงานมีครอบครัวอายุ1 7 1 8แต่ก็บอกว่า อายุมากแล้วนะแก่เกินเรียญแล้วนะคุณยายบอกว่าเนี่ยจะแก่เกินเรียนยังไงนี่ฉันนี่เก้าสิบแล้วนะฉันยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะคุณยายบอกว่านี่จะไปเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นแบบอย่างกระตุ้นให้เด็กๆนะยิ่งว่าเรียกว่าคราวคราวเหรีเนี่ยได้มาสนใจเรียนหนังสืออันนี้เราทําไปเพื่อประโยชน์ท่านนะประโยชน์ตนก็มีนะ อยากมีความรู้นะอยากอ่านออกเขียนได้เพื่อจะได้อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลแต่ส่วนหนึ่งก็อยากจะเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจให้เด็กๆในหมู่บ้านนะหรือว่าในชุมชนนี่สนใจฝ่รู้สนใจฝ่ศึกษาถ้าคุณยายเห็นลวนะว่าการศึกษานี่มันสำคัญนะไม่ว่าอายุแค่ไหน ก็ไม่แก่เกินเรียนนะแล้วยิ่งเห็นเด็กเนี่ยนะจะว่าแต่6 7เว็ครูคบเลยอายุยี่สิบไม่รู้หนังสือนะก็เลยต้องขายแรงงานใช้ชีวิตลำบากนะสมควรที่จะเรียนหนังสือนะเพราะหนังสือนี่การรู้หนังสือมันก็จะเป็นเรียกว่าต้นทุนนะให้สามารถที่จ ะ, ะพัฒนาชีวิตของตนได้ แทนที่จะคุณยายแทนที่จะพูดแทนที่จะกระตุน้นกลับลงมือทําให้เป็นแบบอย่างพอถ้าพูดถ้ากระตุ้นแล้วเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยไม่เคยเรียนหนังสือเลยถ้าตัวเองพูดให้คนไปเรียนหนังสือแต่ตัวเองเนี่ยอ่านออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันก็ไม่มีน้ําหนักนะคุณยา ย, ายก็เลยบอกว่างั้นฉันก็เข้าเรียนซะเลยนะเรียนปนหนึ่งนะกับพวกเลนเลนก็ไม่อายนะไม่อาย ถือว่าฉันเรียนแล้วเนี่ยนะฉันได้ความรู้และความรู้แม้แต่เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ก็ทําให้ช่วยฉันดีขึ้นแล้ะพวกเธอก็ควรจะมาเรียนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนเฒ่าคนแก่นะที่เขาสอนให้เรารู้ว่าเนี่ยไม่มีใครแก่เกินเรียนนะและขณะดเดียวกันก็ไม่ควรทิ้งความเพียรด้วย